วิญญาณมันกอยู่สิงอยู่ทั่วๆไปนี่แหละสิงอยู่ตามไหนบ้งวิญญาณนี่มันสิงไ่าสิงที่ผมขนเล็บเป็นต้นเนี่ยนะไม่เชื่อเล็บผมดูดสิสิงอยู่ตรงนั้นแหละปวดปวดเนี่ยนะถ้าวิญญาณไม่เกิดไม่ปวดหรอกเนี่ยนะอ่านวิญญาณเหล่าเนี้ยเป็นต้นเหตุให้เกิดเสียงเสียงบางอย่างเกิดจากจิตเสียงบางอย่างก็เกิดจากอุตุใครที่หวังความมั่นคงจากเสียงจะเป็นไปได้อย่างไรเปลนเปลนมีกี่สมุทฐาน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 ก็เลยถูกวิญญาณเนี่ยหลอกตลอดเลยนะ <c oughs> อย่างวิญญาณทวารตาที่เราเห็นเนี่ยมันหลอกหรือไม่หลอกหลอกว่ายัางไงถ้าถ้าไม่ถูกหลอกมันจะเป็นยังไงลองมาคิดดูนะเออการเห็นเนี่ยอย่างไรชื่อว่าถูกถู ก, ถ ก, ถกวิญญาณหลอกจิตมันหลอกว่าโดยมากนะจิตมันหลอกว่ามันเที่ยง <c oughs> ฉันนี่แน่นอนนะฉันนี่แน่นอนนะ <c oughs> แต่จริงๆริงฉันนี่กลับกลอกที่สุดนะจะิจริงๆแล้วฉันนี่กลับกลอกที่สุดนะแต่มันหลอกว่า อุ้ยอะไรจะแน่นอนเท่าฉันไม่มีอีกแล้วฉันก็เอาใจฉันรับประกันใช่ไหมเอาใจรับประกันโถวิญญาณอะไรจะหลอกลวงเท่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะวันแป๊บเดียวมันคิดตั้งหลายเรื่องใช่ไหยแล้วมันบอกว่าฉั้นแน่นอนฉันแน่นอนจะไปแน่นอนได้ยังไงเห็นไหมทวานหัวก็เหมือนกันมันได้ยินปั๊บอุ้ยแน่นอนแน่นอนเรารับเอาใจเรานี่แหละรับรองเอาใจเรานี่แหละรับประกันบอกอุ้ยเคยเห็นใจมันเที่ยงมั่งไหม เคยเห็นจักรภูวิญญาณเที่ยงไหมเคยเห็นโสตคานาชีวหากายะมโนวิญญาณเที่ยงไหมแล้ววันนี้วันนี้เราคิดมากี่เรื่องแล้วละ่ะเห็นนะก็เปลี่ยนเรื่องคิดมาเรื่อยแล้วก็ยังบอกว่าใจเรานี่มันแน่ใจเรานี่มันแน่นอนใจเรานี่ยั่งยืนมันมั่นคงอุ้ยแน่นอนแน่นอนมัน่นคงวิปลาสจริงๆเลยนะเพราะเราไม่ตามเห็นถึงความไม่แน่ของใจทั้งหลายความเป็นทุกข์ของใจทั้งหลายใจเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทุก สังเกตดูใจมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มันเป็นยังไงนั่งอยู่น่ะอากาศก็ดีสีที่เห็นก็ดีเสียงที่ฟังก็ไพเราะมันอยู่ๆแล้วมันคิดหาเรื่องลำบากมันลำบากใจมาจนได้ไม่มคิดไปคิดมาคิดจนนั่งเศร้าเลยนะหลายเรื่องเนี่ยนะเช่นอย่างมันได้เวลานอนหลับพักผ่อนแล้ใช่ไหมไปเก็บมาจนลําบากใจแล้วก็นอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะก็เลยพาเรื่องอื่นเสียหายไปหมดเลยชั้นใจเอ้ยใจเนี่ยนะใจก็จะหลอกฉันไปถึงไหนเนะคุยกันให้ดีๆเลยนะ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 อุ้ยอะไรก็ตามนะถ้าเกิดที่ถ้าเราได้พรรษามาแล้วนะเรายืนยันมากเลยนะถ้าผ่านหูเรามานะเราจะยืนยันมากพรรษาเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเป็นที่ตั้งแหง่งเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาแต่ว่าตัวพรรษาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาสังขารแล้วไม่ใช่วิญญาณด้วยนะแต่ว่าไม่ไม่ตรงไม่ไม่เต็มที่แต่ว่าพรรษาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาบ้างเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาและสังขารอันนี้แน่นอน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 แม่โคหนังปอกเหมือนกับเราปอกมะม่วงไงถูกปอกออกหมดแล้วอย่างงี้นะกับแม่โคที่ถูกถลกหนังหมดแล้วออันเดียวกันนั่นแหละอยากจะถามว่าคําไหนมันชัดกว่ากันในความรู้สึกของเราเท่านั้นแหละ น, นะถ้าใครที่ใช้คําว่าถลกถลกเนี่ยนะบางทีเข้าใจชัดพวกที่ปอกมะม่วงมาเยอะๆเนี่ยก็เออแม่โคหนังปอกเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยนแแะแต่ว่าแล้วแต่ใช้ศัพท์บางกันเถอะเพราะอะไรเพราะถ้าแม่โคหนังปอกหนังถลกเนี่ยนะ ไอ้ถ้าทะลอกก็เฉยเขายังช่วมันไม่มีหนังเลยเนี่ยสิถ้ายืนอยู่กลางแก้งเป็นไงสัตว์ที่อยู่กลางแจ้งก็มากัดถ้าไปอยู่ในร่มนี้ไปอยู่ในร่มเลยนะสัตว์ที่อยู่ในร่มก็กัดนี้ไปอยู่ในที่มืดๆอยู่ในหลืบเขาสัตว์ที่อยู่ตามหลืบนั้งกัดงั้นลงไปแช่ในน้ําซะเลยก็ถูกปลาเป็นต้นใน น, น้ํำนี่แหละมันกัดแล้วไปอยู่ที่ไหนดีสรุปนี่แหละผษาสะเพิ่งเห็นผัสสะหารแม้ฉะนั้น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 ใช้เฉยเนี่ยจะตามด้วยตันหาไหมตามไหมตามอย่าคิดนะว่าความใช้เฉยเนี่ยก็ขอใช้ยอย่างนี้ตลอดไปเอาไหมไม่เอานะขอใช้เฉยอย่างเงี้ตลอดกาลก็ไม่เอาอีกนั่นแหละวันเฉยก็ยังเป็นไลท์ให้มาซึ่งตันหาถ้าหากว่าทุกข์ล่ะเยอันนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมคนที่ทุกข์สมมติว่าคน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 ก็เปรียว่าอันนี้สวยนี้สวยมากนี้สวยน้อยนี้ไม่สวยเลยอันนี้แหละเป็นหน้า ง, งานของสัญญาเขาล่ะสัญญาก็เป็นตัวเช็คสภาพหมดเลยนะเขาเช็คเขาตรวจสอบก็ดูความแตกต่างกันได้อะไรได้สัทธาสัญญาก็เหมือนกันเออฟังอย่างนี้สิเพราะเ อ, อ้นี่มันไพเราะน้อยไปแต่ถ้าได้เพิ่มมานั้นจะเพราะมากขึ้นเนี่ยนะก็ก็สุดแท้แต่สัทธาสัญญามันจะเตือนเพราะว่าสัญญานี่มันก็ใกล้ๆก ก, กับตัณหานั่นแหละ คันท่สัญญาเนี่ก็หอมมากหอมน้อยเนี่ยแนละ้วก็ขันท่สัญญาเนี่นะไม่ก็ต้องกลิ่นคาวปลายังบอกว่าหอมใช่ไหมเอาปลามาต้มนะหอมกลุ่นเลยว่าต้มปลานะหอมเลยนะเนี่ยจริงเนื้อปลามันหอมจริงหรือนันก็อันนั้นเป็นลักษณะของขันท่ตันหาเนี่ยนะรสชาตันหาหล่ะรสชาตตันหาอร่อยใช่ไหมรสอร่อยหรือรสไม่อร่อยเนี่ยนะ แล้วก็รัษาสัญญามันจะบอกนี่ถ้าได้เพิ่มน้ําปลานิดนึงใช่เพิ่มนั้นนิดหนึ่งเพิ่มเค็มนิดนึงเพิ่มเปรี้ยวนิดหนึ่งเพิ่มเผ็ดนิดนึงเพิ่มแล้วแต่จะเพิ่มอ่ะนะเพิ่มเปรี้ยวเขาจะมีไอ้เช่นก๋วยเตี๋ยวเขาจะมีรสอะไรมาเพิ่มรสเปรี้ยวรสเค็มหวานเผ็ดแล้วก็ถั่วมาใส่หน่อยรสมันก็จะมีห้าอย่างมาไว้เติมใช่ไหมเปรี้ยวนี่ก็ต้องเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบสองประเภทเลยนะโอ้โหมามาไว้เอาใจใช่ไหมเปรี้ยวแบบมะนาวน้ําส้มสายชู สาชูแบบพริกหันหรือไม่หันอะไรเงีนะอุ้ยมันแยกไปหมดเลยนะอุ้ยรัศกาตปัญหานี่มันวิจิตจริงๆแยกไปหมดเลยนั่นรางมันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดูที่ร้านไหนมันขาดนะแอยากกับลุกหนีเลยเนะ่เติมไม่เติมไม่รู้ขอให้เห็นก่อนนะครันทุกคนถ้าโพธาฟสัญญาล่ะโพธภฟสัญญาอากาศแบบนี้สิเจงจะเรียกว่าอากาศดีใช่ไหมถ้าเป็นแบบไอ้คำว่าอากาศนี่หมายถึงเอาสัมผัสของตัวเองกัะรับเลย จริงๆตัวอากาศมันไม่ได้รับกระทบอะไรกับใครหรอกแต่ว่าก็ใช้ตัวแทนว่าโอ้ที่นี่อากาศดีบางทีเนี่ยเครื่องวัดคือทวารเจมู ก, กับทวารกายนะอากาศดีแปลว่ามันเย็นถูกใจเป็นต้นเนี่ยบางคนบอกเอออบอุ่นถูกพอพอดีชอบโพธภาษานั่นเองโพธภพาษสัญญานี่ก็แล้วก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็อย่างอุณหภูมิบางคนก็ชอบอุณหภูมิไม่เท่ากันบางคนก็ชอบไปทาง นาค่อนข้างหนาวบางคนก็ชอบไปข้างค่อนข้างร้อนพอมาก็ชอบแบบพอดีพอดีนะเ อ, เอาพอดีพอดีเอาแต่พอเหมาก็พอเองนะแล้วธรรมสัญญาหายไปไหนเนี่ยอ๋อไม่ได้พิมพ์เนาะใช่เขียนให้เพิ่มหนังแล้วธรรมสัญญาหายธรรมสัญญาก็คือพวกสัญญาในเรื่องบัญญัติในสัญญาที่มีในอารมณ์ทั้งหลายแหล่นี่นะเอในอารมณ์ที่เหลือจากสัญญาห้าที่กล่าวไป สัญญานี้พระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนอะไรนะเหมือนพยับแดดกับสมุทฐานของไข้นะต้นเหตุของความป่วยไข้สัญญาเหล่านี้เนี่ยนะทุกทวารที่รับมาเนี่ยสัญญาในแต่ละอารมณ์เนี่ยมันเป็นต้นเหตุแห่งความป่วยจริงๆเลยนะอย่างบางคนได้เคยเห็นแล้วไม่ได้เห็นแบบนั้นอีกก็เดือดร้อนอีกแล้วใช่ไหมเคยได้ฟังแบบนั้นแล้วไม่ได้ฟังอีกก็เดือดร้อนอีกเคยได้ทานแบบนั้น แล้วไม่ได้ทานเคยรับสัมผัสแบบนั้นแล้วไม่ได้สัมผัสเนี่ยนะมันสัญญาที่รับกระทบแต่ละทวารนี่จึงเป็นเหตุแห่งความป่วยด้วยอํานาจของกิเลสเป็นต้นสัญญาเหล่านี้ก็เหมือนกับพยับแดดมันหลอกให้ว่าจริงพยับแดดที่อยู่บนถนนเป็นยังไงขับรถทางไกลเห็นพยับแดดข้างหน้าบนถนนเนี่ยนะโอ้ยฝนตกน้ําท่วมเต้นถนนไปหมดเลยจะไปได้หรือเนี่ยนะแต่ในประสบการณ์ที่เคยผ่านมาบอกโอ้พยับแดดหลอก ดูเหมือนมีน้ําเจิ่งนองเต็มถนนทั้งๆที่เอารองเท้าถอดรองเท้าเดินดูเถอะจะรู้ว่าอยตรงไหนพยับแดดดูเหมือนน้ําตรงนั้นแหละเดินสักยี่สิบก้าวเนี่ยนะได้เนื้อสองชิ้นแล้วเพราะผิวหนังกับเนื้อนี่มันลอกกันแล้วนะถ้ามันร้อนจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเนี่ยเนื้อกับหนังหนังกําพร้าที่ฝ่าเท้ามันจะลอกเลยลอกก็เลยเป็นแผลข้างในนั้นอีกทีหนึ่งนะแล้วก็แผลตัวนั้นนี่ปวดมาก คือถ้าพองเนี่ถือว่าเล็กน้อยนะแต่สมมติไปเดินแล้ะเท้ามันพองพองพอ ง, พองแล้วก็เอาอะไรบ่งบ่ ง, บ, งบ่งออกนี่ถือว่าเป็นแผลที่เล็กน้อยแต่ทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าหนังหนังเท้ากับตัวเนื้อมันหลุดออกจากกันเนี่ยตัวนั้นเนี่ยปวดมากนะเนะก็มีบุญมากที่โยมไม่เคยทําบาปมาจึงไม่เคยสัมผัสแบบนั้นมูทิตาด้วยที่ทําบุญมาดีเขามาเคยแล้ว โ, โหวาง เหยียบรองเท้าหรือเหยียบไม่ได้เลยแตะพื้นไม่ได้เลยปวดหมดเล ย, ยเพราะเนื้อเนื้อกับหนังมันหลุดจากกันนะนนก็เป็นแผลสดข้างในนั้นอีกทีสัมผัสึงเมื่อไหร่ก็ป ว, ปวดปวดปวดเป็นอาทิตย์จึงจะหายต่อไปเจตนาเจตนาหกนะรูปประสันเจตนาสัพทัสสันเจตนาคําทัสสันเจตนารสสสันเจตนาโพตภะสันเจตนาและธรรมะสันเจตนาเจตนาตัวนี้ถ้าอยู่ในใจเฉยๆก็เป็น มันมันอ่มโนกรรมล่วงมาทางวาจาก็เป็นวจีกรรมล่วงมาทางกายก็เป็นกายกรรมรูปประสานเจตนาก็คือเจตนาในสีสีเนี่ยเป็นสะท้อนให้เกิดเจตนาสามทั้งกายสันเจตนาวาจีสันเจตนาและมโนสันเจตนาสีทุกสีเป็นที่ตั้งแห่งกรรมสามเสียงทุกเสียงเป็นที่ตั้งแห่งกรรมสามกลิ่นทุกกลิ่น รถทุกรดโพธะพระทุกโพธะพระธรรมารมทุกธรรมรมเป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมเพราะกรรมคือตัวอะไรตัวเจตนาเจตนาคือตัวกรรมเจตนาหังนทิศเวกัมมังวะถามีดูก่อนที่สุดทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรมถ้าเจตจงใจทางทางใจเฉยๆก็เป็นมโนสันเจตนาหรือมโนกรรมทีนี้อารมณ์หก คูณเจตนากายสังเจตนาวจีสังเจตนามโนสังเจตนาก็เป็นเจตนาสิบแปดอารมณ์ไหนในโลกไม่เป็นที่กรรมที่ทําให้ร่วงกรรมบทมีไหมไม่มีมันทุกอารมณ์จึงเป็นอารมณ์ของพบใหม่ได้หมดเลยนะทุกอารมณ์ในโลกนี้นะเป็นอารมณ์ของพบใหม่ได้ทั้งหมดมันถ้ามีสีเป็นอารมณ์ควรเกิดที่ไหนถ้ามีสีเป็นอารมณ์ควรเกิดพที่ไหนเกิดในกา ร, รมาภูมิสิบเอ็ดคลุมไว้ก่อนเลย อ๋อใช่ไหมล่ะมีสีเป็นอารมณ์ก็เกิดในการมาภูมิสิบเอ็ดทำไมอ่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าอาถ้ายังมีสีเป็นอารมณ์อยู่ก็ถือว่าเกิดในการมาภูมิสีเสียงเกลืน่นรสโภชภัณนะประกาศถึงว่าใครที่มีสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ถืว่าปฏิสนี่ในภูมิสิบเอ็ดนะนรกเปรตอสุรกายเดรฉ า, านมนุษย์เทวดาอีกหกชั้นอา่าทําไมไม่ยืนยันไปเลยล่ะก็ต้องดูว่ามีสีอะไรเป็นอารมณ์อีกครั้งหนึ่งใช่ไหม ถ้ามีสีทองเป็นอารมณ์เกิดที่ไหนดีนะถ้าเคยไปรักทองจงว่าไงนะแต่ถ้าไปทาสีทองเอาไว้ทาสีทองบูชาพระเจดีก็ไปดีนะก็แล้วแต่ว่ามันสีสีเดียวกันเนี่ยมันก็แต่และแต่ใครอีกครั้งหนึ่งสะท้อนว่าคนนั้นไปทาบุญกับสีนั้นมาหรือว่าไปทุจริตกรรมกับสีเหล่านั้นมาก็สุดแท้แต่ว่าเจตนาที่ไปรับ สีเหล่านั้นด้วยอะไรเนี่ยนะถ้ามีอะไรนะสีพามา้ม่านเป็นอารมณ์เกิดที่ไหนดีก็แล้วแต่ใครอีกนั่นแหละแล้วแต่ใครอีกครั้งหนึง่งสรุปว่ามีดอกกุหลาบเป็นอารมณ์เกิดที่ไหนดีก็แล้วแต่ว่าดอกไหนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเราบอกว่าดอกมีดอกกุหลาบเป็นอารมณ์เกิดที่ไหนต้องถามว่าดอกไหนอีกครั้งหนึ่งดอกนั้นเอาไปทําอะไรใช่ไหมเพราะว่าสีทุกสีเป็นอารมณ์ของภพใหม่เสียงทุกเสียงก็เป็นอารมณ์ของภพใหม่ แต่ว่าของใครอีกเรื่องหนึ่งนะสรุปว่าสีเสียงเป็นรถโพธาะธรรมรมในฐานะเป็นอารมณะปัจจัยของเจตนาเจตนาที่มีรูปเป็นอารมณปัจจัยเรียกว่ารูปประสันเจตนานะ ส, สัทธสรรเจตนาเป็นต้นก็ในยะเดียวกันอันนี้เรียกชื่อตามอะไรนะรูปเสียงเปลียนรถเป็นต้นเนี่ยเจตนาเรียกว่ารูปประสันเจตนาชื่อตามอะไรตามอารมณ์ อะไรก็เรีกชื่อตามพ่อใช่ไหมถ้าชื่อตามแม่ก็ทั่วกันเลยวิญญาณภาษาเวทนานี้ชื่อตามแม่สัญญาเจตนาตันหาวิตกวิจารณ์ชื่อตามพ่อพ่อลูกเยอะเนาะถ้าตันห่าอะไรรูปปัตนหาสัพพตันหาคันทัตตันหารัศฐตันหาโพธะพัตันหาแล้วก็ธรรมะตันหาตันหานั้นลักษณะหนึ่งคือความเพลิดเพลินความเพลิดเพลิน ความเพลิดเพลินในรูปเรียกว่ารูปปัญหาใช่ไหมเพลินนี้เพลินยังไงก็คือไม่ยอมไม่ยอมจะละสายตาจากสีเหล่านั้นจากรูปเหล่านั้นเนี่ยลักษณะนั้นเป็นตันหาแต่ถ้าโทสะนะยมันไม่ค่อยดูนานหรอกแต่ถ้าตัญหาเนี่ยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกวันรูปปัญหาก็คือความเพลิดเพลินในสี สัตธาตันหาก็คือเพลิดเพลินในเสียงคันธาตันหาก็เพลิดเพลินในเป่นรัศธาตตันหาก็เพลิดเพลินในรสโพธาภะตันหาก็เพลิดเพลินในโพธาภะธัมมตันหาก็เพลิดเพลินในเรื่องราวอารมณ์ทั้งหลายแหละมีมื้อไหนที่ไม่อร่อยบ้างไหมอันนั้นบอกบางคนบอกอุ๊ยอาหารบอกว่าตั้งกต่เกิดมาอาหารเนี่ยโดยมากมื้ออร่อยหรือไม่อร่อยมากกันเลยเขาบอกว่า อร่อยเกือบทุกมื้อเลยแสดงว่ามากไปด้วยตันหาใช่ไหมอุ้ยอาหารอะไรเนี่ยมันถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าตันหาไม่ค่อยมากโทสะมากกว่าอย่างเงี้นะไปเรียกว่าไปบางแห่งใช่ไหมอาหารอร่อยทุกมือ้อแสดงว่าตันหาเกิดตลอดเลยนะไม่มีอร่อยแม้แต่มื้อเดียวถ้าอย่างนี้ก็โดยมากก็โทส ะ, ะทําไมกินได้ก็กินการตายไปยงั้นแหละปรมาณนันนั้นตันหาก็คือเพลดิดเพลินในอารมณ์หก ทำเป็นเล่นไปนะว่าคิดว่าเพลินและมีความสุขใช่ไหมเพลินในรูปมากก็มีความสุขมากใครดูอะไรเพลินฟังเพลินเป็นต้นเนี่ยนะเหมือนมีความสุขแต่ที่ไหนได้ตัวนั้นแหละเชื่อมเจตนาให้มีผลเชื่อมกรรมให้มีผลนั้นเพลิดเพลินในสีเชื่อมรูปประสานเจตนาให้มีวิบากต่อไปเพลิดเพลินในเสียงทําให้ศรัทธาสันเจตนามีวิบากต่อไปเพลิดเพลินใน เล็นทำให้คันทัศเจตนามีวิบากต่อไปเพลิดเพลินในรสทำให้รสสัจเจตนามีผลต่อไปเพลิดเพลินในโพธะพระทำให้โพธะพระสังเจตนามีผลเพลิดเพลินในธรรมอารมณ์ทำให้ธรรมสัจเจตนานั้นมีผลนั้นเพลิดเพลินในอารมณหกทำให้กรรมจึงให้ผลตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมี นั้นวัดต่าทั้งหลายก็งอกงามได้อย่างนี้แหลเพราะฉะนั้นเอาวัดตะมาต่อวัดตะต่อไปเรื่อยไม่มีจบนี่ทวิตกหละ ว, วิตกนี่มันทำให้อะไรนะสีจะอยู่ที่ไหนวิตกก็ไม่มีกำแพงขวางกัน้น <c oughs> คิดถึงได้หมดเลยใช่ไหมกำแพงกั้นไม่ได้น้ำทะเลเป็นต้นก็กั้นไม่ได้เพราะรูปประวิตกสัตววิตกมันเอามานนึกได้หมดเลย ามาตรึกได้หมดเลยการตรึกถึงอารมณ์เนี่ยเท่าโดยมากเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะสัญญาต่างวิตกจึงต่างเพราะสัญญานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงทําให้ตรึกถึงพ่าเคยเห็นจึงตรึกถึงสีที่ที่เคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังทําให้วิตกถึงเสียงเหล่านั้นเคยรู้กลิ่นทําให้วิตกถึงกลิ่นเหล่านั้นเคยรู้รสทําให้ตรึกถึงรสเหล่านั้นเคย รับกระทบโพธิพระทำให้ตรึกถึงโพธิพระเหล่านั้นเคยรับรู้เรื่องเหล่านั้นทําให้ตรึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นนั้นสัญญาเนี่ยเป็นเป็นตัวที่สําคัญมากทําให้เกิดวิตกนั้นความต่างวิตกเ พ, เพราะความต่างแห่งสัญญาสัญญานีถือว่าเป็นเหตุใกล้ของวิตกก็ไม่ผิดแต่ว่าเหตุใกล้ของวิตกจริงๆก็คือผัสสะนี่คือผัสสะเป็นเหตุใกล้จริงๆแต่เราจะคิดถึงในสิ่งที่เรามีข้อมูลใช่ไหม เรามีสัญญาในเรื่องนั้นมีความสําคัญหมายในเรื่องนั้นเราก็จะตรึกใจของเราวิตกก็จะโครจรไปตามอารมณ์เรานั้นนั้นตรึกสิ่งใดก็คลอเคล้าอยู่กับสิ่งนั้นใช่ไหมถ้าวิตกลักษณะคิดถึงเหมือนกับคิดถึงครั้งเดียวแต่วิจารณก็เหมือนกับเคลา้าคลอกับสิ่งนั้นเหมือนตีะระฆังวิตกก็เหมือนดังแก้งแรกนะเสียงครวญของะระฆังก็เหมือนกับวิจารณ์ก็ทําให้คิดเรื่องนั้นได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้น มันเวลาคิดถึงสีก็เคล้าคลอกับสีเหล่านั้นได้นานคิดถึงเสียงก็ทําให้ใจเนี่ยเคล้าคลอกับเสียงเหล่านั้นได้นานก็ด้วยอํานาจของวิจารณ์คิดถึงกลิ่นก็ทําให้เคล้าคลออยู่กับกลิ่นเหล่านั้นได้นานอันนี้ก็ด้วยอํานาจของขันธวิจารณ์คิดถึงรสก็ทําให้เคล้าคลออยู่กับรสเหล่านั้นนั้นได้นานอันนี้ก็ด้วยอํานาจรสสาวิจารณ์คิดถึงโพธาพะก็เคล้าคลออยู่กับโพธาภะนั้นนั้นได้นานเรียกว่า โภตาภาวิจารคิดถึงทำอรมณ์ทั้งหลายก็ทำให้ใจเนี่ยนึกไปเรื่อยก็ด้วยอำนาจของวิจารวิตตกกับวิจารเหล่านี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าอากุศลเสมอไปนะเพราะวิตกวิจารบางอย่างก็เป็นอกุศลบางอย่างก็เป็นกุศลตรงนี้ก็เป็นกลางกลางไปถ้ารูปรวิตตกไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลไปในทางที่ดีก็เป็นกุศลเพราะว่าองค์ฌานก็ประกอบไปด้วย วิตกวิจารณ์ปีติสุขและเอกคตาเป็นต้นยังไงก็ขึ้นต้นที่วิตกการเจริญพุทธานุสติก็อยู่ที่วิตกมันวิตกจึงเป็นปียรูปสาตรูปนะเป็นปียรูปสาตรูปถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองพอใจมั้นอะไรก็ตามที่เราคิดถึงเราจะให้ค่ามากสิ่งใดที่เราคิดนานๆเราก็ยังให้คุณค่า อ, อยู่ดีเพราะเราให้ค่าเราติดใจในการตรึกและการตรองเหล่านั้นการตรึกถึงการเคลา้าคลอกับสิ่งเหล่านั้นนั้น เราเนี่ยติดข้องในในโลกของธรรมารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่น้อยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้กําหนดรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวสีเป็นดังลูกศรเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้แต่ที่สําคัญก็คือสาสวะโตเพราะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นที่ไร้บาแห่งอาสวะทั้งหลายขณะเดียวกันก็ยังสังกิเลสิกะธรรมโต เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองด้วยทุตเจริตบ้างเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองด้วยตันหาบ้างเศร้ามองด้วยทิฏฐิบ้างเนี่ยนะไปหมองใจในสิ่งเหล่านี้จนได้เนี่ยนะเพราะสาัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองก็เพราะอะไรเศร้ามองเพราะจิตเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายผ่องใสหรือสะอาดก็เพราะอะไรสะอาดจิตสะอาดเพราะศาสนานี้ถือความบริสุทธิ์แห่งจิตเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้ ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำใจจะเศร้าหมองแต่ถ้าพิจารณาไครครวนมากๆใจก็ผ่องแผ้วเมื่อใจผ่องแผ้วก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมอั่นเดี๋ยวก็คงพักสักครู่ก่อนนะเจนพานทีสังเกตดู ง, ง่ายๆอย่างนี้นะว่าในปียรูปสาตโรคในปริญญาธรรม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 ส่วนตันหาก็รู้กันว่าเป็นกิเลสส่วนวิตกกับวิจารนี่ก็อยู่ในกลุ่มกรรมน่นเคือมันในฐานะว่าเครื่องมือของกรรมก็ได้เครื่องมือของกิเลสก็ได้ท้องของไ อ, ไอตัววิตกกับวิจารน์่นเเครื่องมือของกรรมก็ได้เครื่องมือของกิเลสก็ได้นี่มาขึ้นถ้าทกเลยนะต่อจากครั้งที่แล้วปฏิสัมพันธ์มั่งแนเ่เจนพร ถ้าเราดูดีๆจะเห็นว่าขันห้าเนี่ยเมื่อกระจายออกมาแล้วก็คือปีรูปสาตรูปหกสิบถ้าใครจะอธิบายขันห้าได้เยอะมากก็คือขยายเป็นอะไรปีรูปสาตรูปอย่างเช่นพวกทวารกับอารมณ์โดยมากเป็นรูปประขันอันนะี้จากโคโสตาคาณเฉีวหากายรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะเป็นโดยมากเป็นรูปประขัน ส่วนวิญญาณก็คือวิญญาณขันธ์ภเวทนาก็เป็นเวทนาขันธ์สัญญาก็เป็นสัญญาขันธ์ที่เหลือทั้งหมดคือผัสสะเจตนาตันหาวิตกวิจารณ์นั้นเป็นสังขารขันธ์นั้นก็คือขันธ์ห้านั่นแหละที่นี้ผู้ที่ฟังแล้วเอาไปจําแนกขยายได้เป็นธรรมะหกสิบเหล่านี้ก็ถือว่ามีปัญญามากแต่ถ้าทําไมมันมากมายขนาดนี้เอานี้ก็แล้วกันเอาธาตุไปเจริญ เอาไปพิจารณาธาตุหกธาตุหกนั้นก็คื อ, อปฐวีอาโปเตโชและวาโยก่อนคือเบื้องหลังของตาสีหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโทภทะพะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะเหตุใกล้ของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือธาตุสีหมดเลยมหาภูตรูปนะนะเบื้องหลังของสิ่งที่เราเห็นแม้กระทั่งตาที่เป็นเหตุให้เห็นสีที่เราเห็นเหตุใกล้ของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็คือ ดินน้ำไฟลมหูก็เหตุใกล้ของหูก็ดินน้ําไฟลมเสียงก็เหตุใกล้ของเสียงก็ดินน้ําไฟลมีห่หายใจรู้เปลี่ยนไปก็ดินน้ําไฟลมนะนั่งเปลือนน้าลายก็ดินน้ำไฟลมนั่นแหละรับกระทบโพธาภาตั้งแต่หัวโจรดเท้าก็เป็นเป็นไปกับดินน้ําไฟลมหมดเลยนี้ดินน้ําไฟลมในทุกทวารในแต่ละทวารทั้งปัญจทวารทั้งปัญจอารมณ์พวกนี้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยถ้ากัด อากาศสาธาตินี่จะดีไหมอากาศสาธンンาติคืออะไรพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรนะช่องว่างช่องตาว่างนั้นเถอะถ้าไม่มีอากาศสาธาติเราจะรู้ไหมว่าช่องตาถ้ามันทึบเป็นอันเดียวกันไปหมดถ้าไม่มีอากาศสาธาติไม่รู้เราว่าช่องนี่ช่องหูนี่ช่องจมูกนี่ช่องปากเอาไหมปิดหมดเลยอย่างไงก็ไม่งามเลยนะครับถ้าปิดหมดทุกทุกอย่างก็ไม่งามนั้นอากาศสาธาติンンนั้นจึงเป็นที่หมายรู้กันนะเป็นที่หมายรู้กันเออ ทั้งปัทวีอาโปเตโชวายโยอากาศเหล่านี้โดยเฉพาะปัทวีอาโปเตโชวาโยเนี่ยสี่อย่างนี้ในฐานะเป็นอารมณ์ของวิญญาณธาตุและก็เป็นที่อาศัยเกิดของวิญญาณธาตุพระพุทธเจ้าตรัสว่าก็กายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่มีมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดจเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสด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 เป็นตัวเป็นลูกสอนที่มันเสียดแทงเยนะเป็นตัวที่ป่วยไข้เป็นตัวที่เจ็บไข้เป็นสิ่งที่มีความแตกทาลายเป็นธรรมดาเนี่ยนั้นถ้าใครที่พิจารณาทาาเหล่านี้มากก็จะไม่ตกอยู่ในอำนาจของกายในกายนะจะไม่เป็นอยู่ในอำนาจของกายในกายถามว่าผู้ที่อยู่ใต้อำนาจของกายในกายเป็นยังไงถ้ากายถึงพร้อมสมบูรณ์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 พระสูตรสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัส ก, กับปุกุฎสาติกุลบุตรชื่อสูตรว่าธาตวิพังคสูตรเนี่ยนะธาตวิพังคสูตรนี้ยกเอทาทธาตหกเหล่านี้มาเป็นตัวอธิบายคําว่าปฐวีธาติอาโปธาติเตโชธาติวายโยธาติอมความถึงไหนรู้ไหมอมความถึงพบที่มีรู ป, ปรขันท์ทั้งหมด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 เตโชกสินวาโยธาก็เป็นวาโยกสินคําว่ากสินสิบตรงนี้ที่ควรกําหนดรู้นั้นน่ะหมายถึงฌานที่มีกสินพวกนี้เป็นอารมณ์นะปฐมฌานจนถึงจตุทัชฌานที่มีปฐวีกสินอาโปะกะสินเตโชกสินวาโยกสินเป็นอารมณ์สีเขียวนีละกะสินเนี่ยนะสีเขียวนั้นมีตัวสีเขียวมีอะไรเป็นเหตุใกล้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 สีทุกสีเหล่านี้เป็นที่อาศัยเจริญเกสินได้มีพระราชาพระองค์หนึ่งประทับอยู่ในห้องบันทมตื่นขึ้นมาก็ดูเห็นฝาสีขาวเจริญชาได้เลยอ่ะเออทาได้ไงไม่รู้ตอนหลังท่านก็เป็นพราพระเจกกพระพุทธเจ้าไม่แปลกใจนะ่ะสองอะอะไรนะสองอาสงไขยแสนกลับมาแล้วนะก็เลยทำได้ตื่นขึ้นมาเห็นฝาฝาฝ า, ฝาพระราชาฝาห้องอ่ะนะฝาห้องบรทมเนี่ย เป็นสีขาวนั้นใครที่ทาฝาห้องเป็นสีขาวเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จเจริญอะไรโอทาตกกะกสินถ้าบ้านทาสีเขียวล่ะนี่ลกะกสินถ้าทาสีเหลืองปีต ก, กสินถ้าทาสีแด ง, ง, งสาธุใหม้มาได้สักอย่างเถอะ <laughs> มีตั้งหลายกสินใช่ไหม <laughs> น่าจะได้สักอย่างเลยลืมหมดเลยว่ามีกระสินอยู่ในนั้นเลนก็ <laughs> จริงๆเนี่ยนะผู้ที่มีปัญญา <laughs> เขาเห็นอะไรเขาจเจริญถ้ามีปกติจเจริญกสินอยู่แล้วนะ พระพุทธเจ้านั้นเจริญกระสินสีสีสีเขียวเนี่ยนะคในร่างกายของพระองค์คําว่าสีเขียวเนี่ยผมเนี่ยนะเส้นผมเนี่ยท่านนับในกลุ่มสีเขียวนะผมขนไม่ใช่ผมห อ, อกนะเออผมผมทั่วไปเนี่ยข น, ข น, ข, นขนก็เหมือนกันนะนะหรือในตาดําำนะในตาดําเป็นต้นกลุ่มนี้ก็กลุ่มนีแลกะกสินสีเหลืองนะก็คืออตาเหลืองๆนะตรงตาที่เหลืองๆมันข้น พวกกลุ่มนี้ก็เป็นที่มาของปีตะคะคือสีเหลือง เ, อเขออภัย ป, ปีตะเนี่ยนะสีเหลืองส่วนสีแดงดูจากไหนเนื้อเลือดพวกนี้ก็เป็นสีแดงส่วนสีขาวฟันกับกระดูกเนี่ยนะพวกกระดูกพวกฟันนี้ก็อยู่ในกลุ่มสีขาวส่วนอากาศกสินนั้นเป็นอารมณ์ของอะไรอากาศกสินเนี่ยหมายถึงเกษะสินุคาติมากาศซึ่งเป็นอารมณ์ของ อากาสานัญจายตนะวิญญาณกสิลป์เป็นอะไรเป็นอารมณ์ของวิญญาณัญจายตนะกับเนวสัญญาณาสัญญายต น, นะวิญญาณนัญจายตนะนั้นกำหนดวิญญาณกสิลปเนวสัญญาณาสัญญายตนะก็กําหนดวิญญาณกศิลป์พวกใครที่เจริญธาตุพิจรารณาธาตุดินน้ำไฟลมมากๆ พิจารณาอากาศพิจารณาวิญญาณมากๆพวกนี้จะต่อกสินสิบโดยไม่ยากคือสามารถต่อไปเจริญกระสินสิบได้ของเรายังเจริญไม่ได้ก็เรียนมาไว้ก่อนสัจชาติหนึ่งครมีโยมคนห น, นึ่งบอกเขายังไม่พร้อมจะบรรลุหรอกเข า, เเขาต้องได้อะไรนะปฏิสามิทาสีวิโมกแปดอภินยาหกจะต้องเอาให้หมดทจนช่วงนี้ยังไม่อยากบรรลุทั้งนั้นนะขอเรียนไปก่อนจะให้ได้ทั้งหมดเลยประกันก็ ผู้มีอัรยาศัยอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกอย่าไปว่าเขาถามว่าการกำหนดธาตุกการกำหนดกระสินทั้งสิบเหล่านี้เนี่ยนะได้มาจากไหนได้มาจากไหนถ้าเริ่มจะพิจารณาธาตุกต้องการจะเจริญกระสินสินทธิ์นี่ได้มาจากไหนก็ได้มาจากการกำหนด ผมขนเล็บฟันหนังลวดการสามสิบสองต่อไปนะผอมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยตัวนี้หมายถึงสายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอทั้งสี่ปัญจกะดูนะปัญจกะที่หนึ่งเรียกว่าตาจัจจปัญจกะปัญจกะที่สองเรียกวัวกกะปัญจกะ ปัญจากาที่สามเรียกว่าปัปพาสะปัญจกะปัญจกะที่สี่เรียกว่ามัทหลงขะปัญจกะรก็คือห้าห้าคูณสี่เท่ากับยี่สิบเรียกว่า 20, ปัทวีทาธาต์ยี่สิบปัทวีธาต์ยี่สิบส่วนชกัชกกะชักกะแปลว่าหมวดหกเช่นเรียกว่าเมธาเมธาชากักกะเนี่ยนะก็คือมีมันข้นเป็นที่หกกับมุตตะชกักกะมีปัสาวะเป็นที่หก อันใครที่เจริญอาการ32คือผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอนน้น้ำดีน้ำเส็ดน้ำหนองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปลเวมันน้นนำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดนี่น ะ, ะพวกนี้เรียกว่าอาการ32 อาการสามสิบสองเนี่ยนะคู่ที่พิจารณามากๆสาธยายทั้งโดยอนุโลมปฏิโลมทั้งอนุโลมปฏิโลมพิจารณาโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปริเชษถ้ามีการพิจารณามากๆจริงๆเนี่ย จ, จะได้โดยอาการสามถ้าเจริญมากๆจะได้โดยอาการสามถ้าในอดีตชาติเขาเคยสังสมเริ่มกระสินมา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 สีแดงเนไงเอนี่ออกข า, ขาวๆใช่ไหมออกขาวๆกระดูก ส, สีขาวแล้วเยื่อในกระดูกอ่ะออกออกเหลืองๆใช่ไหมออกเหลืองๆแดงอ่ะไงไตอ่ะพวกนี้ก็สีแดงนะพวกกลุ่มเนื้อนะลําไส้อ่ะอะไปกําหนดเอากันแล้วกันนะ่ ก็คือสรุปว่าพวกนี้ต่อด้วยกสินได้เลยทุกอย่างเหล่านี้นะแม้กระทั่งน้ําดีน้ำเสเลน้นําหนองน้ําเลือดเหงื่อมันค้นพวกนี้ก็ต่อด้วยกสินถ้าหากว่าอดีตเขาเป็นผู้สั่งสมพวกวันนะกะสินมาเช่นสั่งสมกสินสีเขียวสีเหลืองสีแดงเป็นต้นเนี่ยนะอดีตชาติมามันพิจารณาอาการสามสิบสองไปพิจารณาไปพิจารณาไปกลายเป็นว่าได้กสิน พวกนี้จะเป็นรกสินที่ไม่บริสุทธิ์ขาวก็ไม่ใช่ขาวล้วนเขียวก็ไม่ใช่เขียวแท้แดงก็ไม่ใช่แดงสดอะไรเนี่ยนะไม่ใช่แดงแท้แทเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าใครมัขาวขาวจริงๆยังกระสีขาวเลยจริงๆในร่างกายไม่มีไหมไม่มีหรอกมันจึงไม่ใช่อะไว่าพวกนี้จึงไม่ใช่เป็นรกสินแท้ๆเลยแต่เป็นกสินที่แปรมาจากการเจริญ อาการสามสิบสองส่วนผู้ที่มีปัญญามากพวกนี้จะมนัสิการอาการสามสิบสองเหล่านี้แหละโดยความเป็นธาตุจมว่าเช่นปฐวีเอิเข้าไปผมผมตั้งอยู่บนหนังสีสับมันรู้ไหมว่ามันตั้งอยู่บนหนังศีสัมันก็ไม่รู้ต่างฝ่ายก็เป็นอะไรอภยกระต ะ, ะเจตนาอันนคือตัวมันเองเนี่ยไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเพราะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นบุญเป็นบาป ทั้งผมทั้งหนังศีรษะเป็นต้นก็พวกนี้อาจเจตนาคิดนึกไม่ได้สุญญตะว่างจากความเที่ยงว่างจากความงามว่างจากความยั่งยืนและว่างจากอัตตานิชชีวะไม่มีสัตชีวะบุคละอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ภาลชนทั้งหลายคิดขึ้นกันไม่มีอันใครที่พิจารณาอย่างละเอียดเหล่านี้ถ้ากำหนดปัทวีธาได้ก็กำหนด อโปธาต์ได้ถ้ากําหนดอาโปธาต์ได้เตโชธาต์ก็ย่อยสลายอาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละเกิดขึ้นย่อยสลายวาโยธาต์ก็คือสิ่งเหล่านี้นั่นแหละพัดผันไปช่องว่างของสิ่งเหล่านี้คืออากาศธาตุกายเหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดของวิญญาณธาตุและเป็นอารมณ์ของวิญญาณธาตุก็จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นธาตุว่านิสัตานิชีวสุญญาปุคละนะสุญญะ เป็นต้นนั่นเองฉันสามารถพิจารณาโดยความเป็นว่างจากความความอะไรว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากตัวตนว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่ทรงไว้ซึ่งกองทุกเนี่ยนะเป็นเป็นที่ทรงไว้ซึ่งทุกจัดแจงทุกขโดยอเนก ป, ประการส่วนพวกราคะจริตเมื่อพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นมากได้ไร ได้สุภะนี่นพิจารณามากๆกลายเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของปฏิกูลนี่นะปฏิกูลคือไม่งามอันนี้คือว่าไม่มีความงามที่แท้จริงอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนั้นอาการสามสิบสองเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทําปริญญาจึงสอนให้กําหนดรู้ผู้ที่กําหนดรู้เบื้องต้นกลุ่มที่หนึ่งได้กรสินกลุ่มที่สองอาจจะได้ธาตุกลุ่มที่สามพิจารณาโดยความเป็น อาสุภะนั่นเองซึ่งแล้วถามว่าตัวผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นสภาพที่เที่ยงไหมไม่เที่ยงเนะี่ยนตัวเขาเองเนี่ยไม่เที่ยงแน่นอนละ่ะถามว่าตั้งแต่มีอาการสามสิบสองเนี่ยมีสุขหรือมีทุกข์มากกว่ากันมีทุกข์มากกว่าแล้วใครมีอํานาจในอาการสามสิบสองเหล่านี้บ้างไหมไม่มีใครมีอํานาจอะไรที่แท้จริงเนีย่ยนะแต่กายเหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดของอะไรธาตุ วิญญาณธาตุทั้งหลายนี่ถ้าอาการสามสิบสองเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยนะถ้ามากระจายตามเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิก ค, คืออายตนอะอายตนะเนี่ยแปลว่าที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกเป็นบอ่อเกิดแห่งจิตเจรและเจตสิกเพราะฉะนั้นอตานี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีมหาโพธ์มหาพูทกลุ่มไหนที่ทําให้มีตา อย่างที่ในในในตาในยะในตาเนี่ยนะมีอะไรก็มีพังผืดอยู่ในในตามีเส้นเลือดมีเลือดไปหล่อเลี้ยงตาเป็นอาการ32หลายอย่างถ้ามารวมตัวกันเราเรียกว่าตาบ้างเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกขณะเดียวกันเนี่ยสีอ่ะนะสิ่งเหล่านั้นก็มีสีเกิดร่วมด้วยทั้งหมดก็เป็นที่อารมณ์ของของของของจิตเจตสิก พันตาเป็นบ่อเกิดในฐานะเป็นวัตถุบ้างเป็นทวานรบ้างสีรูปายตนะเป็นบ่อเกิดในฐานะเป็นอารมณ์ของจิตและเจตสิกทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งถ้าผู้ที่กาหนดผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะจะพิจารณาบ่อเกิดของจิตเจตสิก ค, คือตาเรียกว่าจักขวายตนะบ่อเกิดของจิตเจตสิก ค, คือรูปคือรูปายตนะ จะกำหนดไม่ยากเพราะพวกนี้กำหนดรู ป, ปรธรรมมากก็จะรู้ว่ารู ป, ปรธรรมเหล่านี้ตากับสีก็เป็นที่อาศัยเกิดของวิญญาณคือจิตและเจตสิกทั้งหลายก็คิดดูนะสีหนึ่งสีให้ความคิดอะไรบ้างสีที่เราเห็นเห็นกันอยู่นเนี่ยนะรูปภาพทั้งหลายที่เราเห็นก็ให้เกิดความคิดที่วิจิตมากๆเลยตาที่ลืมตามีตากันคนละคู่เนี่ยลืมปป๊บเนี่ยโอ้จิตวิจิตทั้งหลายก็ หลังไหลออกมานี่นะสังเกตดูจากอะไรจากวาจีวิญยัตพูดถึงแต่ละสิ่งเนี่ยนะแต่แต่ละคนนี่จะพูดไม่เหมือนกันวันพวกนี้มันเป็นอายตนะเป็นที่เกิดของจิตและเจตสิกขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อตากับเมื่อมีตามีสีเป็นที่เกิดแห่งจิงเตเจตสิกเพื่ออะไรเพื่อจิตเจตสิกจะได้ประชมกันประชุมทำไมประชมสร้างตา ประชมเพื harmonic, ่อสร้างตาเพราะถ้ามีหูกับเสียงหูได้ยินเสียงจิตเจตสิกเกิดขึ้นก็ปจิตเจตสิกประชุมกันขึ้นเพื่อสร้างหูต่อไปนะเมื่อมีจมูกมีกลิ่นจมูกรู้กลิ่นก็เพื่อให้จิตเจตสิกเกิดจิตเจตสิกเกิดก็เพื่อสร้างจมูกต่อไปมีลิ้นมีรสจิตเจตสิกก็อาศัยสิ่งเหล่าเนี้ยเกิดขึ้นจิตเจตสิกเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นก็เพื่อสร้างสร้างลิ้นอีกต่อไป กายกับโพธพะเนี่ยนะกายกับโพธาภะก็เป็นบ่อเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกเพื่อสร้างกายต่อไปมันตัวตัวที่อาศัยเกิดทางทวารตาก็คือตัวมานายตนะกับธรรมายตนะตัวอาศัยเกิดทางอายตนะคือตากับสีก็คือมานายตนะกับธรรมายตนะทั้งอายตนะคือมานายตนะกับธรรมายตนะ อาศัยจากขวายาตนากับรูปายตนาเกิดวันขณะเห็นเนี่ยอายตนะสี่อย่างประชุมกันขณะเห็นนะอายตนะคือตาอายตนาคือรูปอายตนะคือจิตคือมานายตนะอายตนะคือเจตสิกคือธรรมายตนะเนี่ยนะะนั้นขณะที่เห็นเกิดขึ้นได้คือการประชุมแห่งอายตนะสี่ขณะที่ได้ยินเสียงก็อายตนะสี่ประชุมกัน อายตนาคือหูอายตนาคือเสียงมนามนายตนาคือโสตะวิญญาณและเจตสิกที่ประกอบกันขึ้นเพราะขณะที่ได้ยินเสียงที่ดังๆอยู่นี้อายตนาสี่อย่างประชุมกันหายใจรู้กลิ่นก็อายตนาสี่ประชุมกันคืออายตนาคือจมูกอายตนาคือกลิ่นมนายตนาคือขานวิญญาณเจตสิกที่เกิดร่วมก็เป็นธรรมายตนะรู้รสนี่นะถ้าใอมลูกอมเนี่ย ก็มีอยตนาเท่าไรเกิดขึ้นสี่สอยายตนะคือลิ้นอยนายตนะคือรสอยายตนะคือชิวหาวิญญาณและเจตสิก ท, ที่เกิดร่วมเป็นธรรมยายตนะเพราะฉะนั้นขณะรู้รสก็อายตนาสี่ประชุมกันรับกระทบโพธะนะตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเช่นมานสิการตรงไหน ก, ก็มีความรู้สึกใช่ไหมมานสิการตรงหน้าจิตเจตสิกก็เกิดที่หน้า มานาะกระพิบตาจิตเจตสิกก็เกิดตรงแถวๆที่ไม่ใช่ตัวตานะี่ตรงที่แถวๆรอบบริเวณเทียวที่กับพิบตาขยับนิ้วขยับมือขยับตามร่างกายเนี่ยนะทุกถ้ามีมานายาตนะคือกายวิญญาณเกิดที่ใดให้รู้ว่าที่นั่นมีญาตนะสี่ประชุมกันคือกายญายตนะโพธพายาตนะกายญาตนะกายวิญญาณคือมานายาตนะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยตรงนั้นเป็น ทำมาญาตนะเนี่ยนะพันคันคันนี้อายตนะเท่าไหร่สี่ประชุมกันเนี่ยนะกลือน้ําลายอ่ะสี่นะกลือน้ําลายไม่ได้พูดที่ทวารลิ้นยัยที่ลําคอลงไปแล้วนี่ก็มีอายตนะอยู่สี่พันปวดหัวตัวร้อนพวกนี้ทั้งหมดนี่มีอายตนะสี่ประชุมกันขณะที่นึกคิดอายตนะเกี่เกียเกียอายตนะประชุมกันคิดไปเลยตรงๆแล้วมีสองคือมานายตนะกับ ธรรมายตนะนี่นะอายตนะเหล่านี้ในฐานะเป็นบ่อเกิดเป็นที่ประชมุมเป็นที่สืบต่อแห่งสังสารทุกการประชุมพร้อมแห่งอายตนะเหล่านี้คือการประชุมพร้อมแห่งทุกทุกไหน ท, ท, ทุกทุกครังอ่ะนะเป็นที่ประชุมแห่งความไม่ดีเป็นที่ประชุมแห่งความว่างเปล่าเหมือนอะไร ใครเคเห็นฝนตกฟ้าร้องฝนขนองแล้วประชมกันเสร็จแล้วก็อันตรธานหายไปหมดเลยใช่ไหมกองทุกเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เวลามันเกิดขึ้นมันก็ประชมกันปัญหาวุ่นวายไปหมดเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรนะมันประชมอย่างอย่างของเราทั้งหลายเมื่อร้อยปีที่แล้วพวกเรามีไหมที่เป็นลักษณะนี้มีไหมอีกร้อยปีข้างหน้าจะมีไหมมันมีแต่ไอ้ระหว่างเนี่ยนะเกิดขึ้นคนละหกเจ็ดแปดสิบเก้าสิบปีเนี่ยถามว่ามีความสุขไหมนั่นแหละ เสร็จแล้วจากไม่มีแล้วมีขึ้นมีขึ้นแล้วเป็นยังไงต่อไปไม่มีเหลื อ, อแล้วเนี่ยนะก็อย่างนี้แหละนี่เรียกว่าอายตนะมันประชุมแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่ชั่วคราวชั่วสมัยนั้นๆเนี่ย น, น, นะสิ่งเหล่านี้ถ้าแบ่งก็คือธาตุธาตุเนี่ยนะถ้าแบ่งตามทวารเราเนี้ยทะวารละสามธาตุก็เป็นธาตุสิบแปดทำไมนะจากโคธาต อ า, อายตนะคือมันประชุมกันแต่ประชุมกันในความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ผู้ใดไม่ใช่ของใครในฐานะนิสตตะนิชีวสุญญาสภาวะธาตุาจักขวายตนะนั่นแหละคือจกัจกขกู่ธาตุรูปายตนะนั่นแหละคือรู ป, ปธาตุเป็นที่อาศัยเกิดของ จักขู่วิญญาณธาตุและธรรมธาตุคือเจตสิกก็เกิดร่วมขึ้นนั้นขณะเห็นจริงๆก็ธาตุสี่ประชุมกันจักขู่ธาตุรูปธาตุจักขู่วิญญาณธาตุและธรรมธาตุเจตสิกทั้งหลายเป็นธรรมธาตุหูได้ยินเสียงก็ธาตุสี่ประชุมกันโสตธาตุสัทธาธาตุโสตวิญญาณธาตุและธรรมธาตุ ขณะรู้กลิ่นธาตุสี่ประชุมกันคานาธาตุขันธธาตุคานวิญญาณธาตุและธรรมธาตุขณะรู้รสก็ธาตุสี่ประชุมกันเชี่วหาธาตุรัศธาตุเชีวหาวิญญาณธาตุและธรรมธาตุเวลากายรับกระทบโพธาตเนี่ยธาตุสี่ประชุมกันรับกระทบโพธาตุคือกายธาตุโพธาตธาตุ กายวิญญาณธาตุเจตสิกที่เกิดร่วมกันก็เป็นธรรมธาตุไอตัวมโนธ า, าตุคืออะไรนะมโนธาตุคืออะไรธาตุก่อนเห็นกับหลังเห็นง่ายๆ่ากนะก่อนจะเห็นเนี่ยมโนธาตุเกิดก่อนหลังจากเห็นก็มโนธาตุเกิดก่อนได้ยินกับหลังได้ยินเนี่ยมโนธาตุเกิดก่อนรู้กลิ่นหลังรู้กลิ่นก็มโนธาตุเกิดก่อนรู้รสหลังรู้รสก็มโนธาตุเกิดก่อนรับกระทบโพธาภะหลังรับกระทบโพธาภะก็ มโนธาตุเกิดมโนธาตุเกิดก่อนการเห็นเกิดก่อนได้ยินก่อนรู้กลิ่นรู้รสรับกระทบโพธาภะอันนี้เป็นชาติกิริยาเป็นมโนธาตุชาติกิริยาถ้าหลังจากการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรับรู้รสรับกระทบโพธาภะอันนี้เป็นมโนธาตุฝ่ายวิบัสสน์เนี่ยนะก็ไม่เป็นไรนะใครที่ยังไม่เรียนน่ะพิธามมาก็จะได้ฟังบุญไปก่อนวันหลังไปเรียนน่ะพิธามจะได้ไม่ยาก มันเกิดพร้อมกันเป็นสัมปยุตตปัจจัยเนี่ยนะมันเกิดพร้อมกันจิตกระเจิกสิกอะไรเกิดก่อ น, นเกิดพร้อมกันแต่จิตในฐานะเป็นประธานเนี่ยนะนั้นมโนธาตุที่ใดมีมโนวิญญาณธาตุเกิดที่นั่นก็ต้องมีธรรมธาตุอยู่แล้วธาตุที่เหลือบางธาตุก็ในฐานะเป็นเป็นอารมณ์ของ มนโนวิญญาณาธาตุบ้างเป็นอารมณ์ของธรรมาาาธาตุบ้างจักรวิญญาณธาตุเนี่ยนะจิตธาตุเห็นคือจกักรวิญญาณเนี่ยความสามารถรู้ได้แค่สีโสตวิญญาณก็รู้โสตวิญญาณาธาตุก็รู้ได้แค่เสียงคานาวิญญาณาธาตุก็รู้ได้แค่กลิ่นชิวหาวิญญาณาธาตุก็รู้ได้เฉพาะรสกายาวิญญาณธาตุก็รู้ได้เฉพาะโพธิภะ มโนธาตุรู้ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโภตาพะส่วนมโนวิญญาณธาตุไร้ขอบเขตเนี่ยนะรู้หมดเลยรู้ทั้งบัญญัติรู้ทุกเรื่องเลยนะเรื่องไม่ควรรู้มันก็รู้ด้วยนี่สิลำบากมาไอเรื่องที่ควรรู้ก็ไม่รู้เนี่ยนะอริยสัจควรรู้มากก็ไม่รู้เนี่ยนะรู้ที่เป็นใจกับโลภโกรธลงนี่รู้จังเลยนี่ยะรู้บ่อยมากอย่างเงี้ยนะไม่ดีนั้นมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุเนี่ยเกิดเกิดกับ ขอภัยมโนวิญญาณธาตุเกิดได้ทุกทวารและรับอารมณ์ได้ทุกอารมณ์ส่วนคําว่าธาตุเหล่านี้เนี่ยนะอายตนะอันใดอันนั้นแหละคือธาตุแต่ก็ที่เหมือนกันน ะ, ะมานายตนะตรงนั้นเนี่ยที่อายตนะในหมวดที่เจ็ดนะมานายตนะพอมาขยายเป็นธาตุ มานายตนะนตัวนั้นเนี่ยมาขยายได้กี่ธาตุรู้ไหมเป็นเจ็ดธาตุด้วยกันมานายตนะนเนี่ยนะในมานายตนะมาขยายได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดธาตุมานายตนะนขยายเป็นจักโควิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานะชิวหากายะมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมันก็เลยเยอะเองแนหะไอ้ที่เหลือเหมือนกันน่นะอายตนะนัสิสองธาตุสิแดต่างกันยังไง ต่างอยู่ข้อเดียวคือข้อสุดคือมานายตนะมานายตนะตัวเดียวมาจำแนกมาผ่าออกเป็นเจ็ดชิ้นเจ็ดส่วนก็เลยเยอะไปเองเนี่ยนะส่วนที่เหลือซ้ำๆกันทั้งนั้นแหละเนี่ยนะซ้ำๆกันธาตุใดที่เป็นใหญ่อายตนะใดที่ใหญ่มากขาดเข้าไม่ได้อายตนะนั่นคืออินทรีย์เช่นจักขวาอายตนะจักขุธาตุใหญ่มากในการเห็นเรียกจักขุนที โลกนี้นะโลกทาวารตาเนี่ถือเอาตาเป็นใหญ่ที่สุดตานี่ใหญ่กว่าเพื่อนถ้าไม่มีตาซะอย่างเดียวนะใครเกิดมาสวยขนาดไหนก็อดชมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีตาใช่ไหมไม่มีตาสีวิจิตพิสดารใครวาดรูปอลังการที่ไหนก็ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับคนตาบอดมันตานี่ใหญ่ที่สุดในการเห็นโหเนี่ใหญ่ที่สุดในการได้ยินพันใครจะเสียงหลอ่อเสียงเพราะเสียงดีลึกซึ้งพูดอะไรก็ช่างเถอะ หูหนวกอย่างเดียวนี่หมดเลยหูนี่จึงใหญ่ที่สุดในการได้ยินเนี่ยนะใครจะใช้น้ําหอมชนิดใดพอดีวันนั้นเป็นหวัดหรือจมูกเสียไปแล้วนี่ก็หมดเลยใช่ไหมมันก็จมูกนี่จึงเป็นใหญ่ในการรู้รู้กลิ่นรับกลิ่นเป็นเครื่องมือที่ทําให้ไอตัวเห็นจริงๆไม่ใช่ตานะเหน็ไหนไอที่เห็นมันจากขูวิญญาณแต่ถ้าขาดตาแล้วมันจะขูวิญญาณมันเกิดไม่ได้ แต่ตัวได้ยินก็ไม่ใช่หูแต่ถ้าไม่มีหูก็ได้ยินไม่ได้ตัวรู้กลิ่นก็ไม่ใช่จมูกแต่ถ hey, ้าไม่มีจมูกก็รู้กล um> ิ่นไม่ได้ตัวอลิ้นก็ไม่ใช่เป mm ็นตัวรู้รสแต่ถ้าไม่มีลิ้นก็รู้รสไม่ได้กายก็ไม่ได้รับรู้โภทะภะนะแต่ถ้าไม่มีกายก็รับโภทะภะไม่ได้เพราะเพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเป็นรูปประธาต์เป็นรูปประขัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้รู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอนารมนะจากขูวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณตัวเนี้ยเป็นตัวที่รับรับอารมณ์แต่ถ้าไม่มีตาจักขูวิญญาณก็ไม่รู้จะไปสาเกิดที่ไหนไปแคว้นตรงไหนเกิดเพราะฉะนั้นยังเอามือดูสู้ที่ใช้มือสองดูที่เป็นยังไงจะไปเห็นได้ยังไงว่ามันไม่ใช่ที่เกิดของจากขูวิญญาณเอาอยางอื่นไปฟังแทนหูได้ไหม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 ก็มาจากอีกกรรมหนึ่งกายยินสีนะตั้งแต่หัวจดเท้าก็มาจากคนกรรมคนกรรมคนกรรมกันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยสมบูรณ์หลายแห่งแต่ก็วิบัติอีกหลายที่เพราะอะไรเพราะว่ากรรมไม่มันอะไรที่จริงไอ้ตัวกรรมนําเกิดมันดีแต่ว่าถูกอุปปีและกกรรมมาเบียดเข้าก็เลยอะไรนะไฟมันสว่างดีหรอกตอนแรกแต่ว่ามันเจออย่างอื่นทําให้มัวไปหมดเลยนี่ก็เหมือนการบุญที่มันนาเกิดเป็นมนุษย์จริงๆแล้วเป็นบุญที่ดีกัน แต่ว่าบาปมามาเล่นงานซะเลยหมดสภาพหมดเลยอย่างนี้ไนงะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะเครื่องวัดผลให้รู้อะไรให้รู้ว่าเป็นที่อาศัยเกิดของมนินรียคือใจเนี่ยนะเป็นที่อาศัยเกิดของมนินทรียคือใจจากขุนซีที่เป็นใหญ่ในการเห็นเพราะเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเห็นจิตเห็นเนี่ยจากครูวิญญาณก็เป็นมนินรียโซตะโซตินรีเนี่ยนะ ที่ว่าเป็นใหญ่ในการได้ยินก็เพราะเป็นที่อาศัยเกิดของมนินรียจมูกที่ว่าเป็นใหญ่ในการรู้กลิ่นก็เป็นที่อาศัยเกิดของมนินรียกายที่รับกระทบโพพเป็นใหญ่ในการรับกระทบโพธพภะก็เป็นที่อาศัยเกิดของมนินทรีย์เนี่ยเป็นที่อาศัยเกิดของมนินทรีย์จิตมันจะเกิดโดดๆได้ไหมไม่ได้ต้องมีเจตวิสิกเกิดร่วมด้วย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 พิธีคตะสัมปยุตและโมหะมูลจิตที่เป็นโมหะมูลจิตที่เป็นวิจิกิจฉาสัมปยุตดับด้วยโสดาปฏิมักปฏิสนที่จิตในอบายปฏิสนที่จิตในมนุษย์ในภพที่แปดเป็นต้นก็ดับด้วยโสดาปฏิมักใครต้องการรายละเอียดเรื่องนี้พิสดานก็ไปดูเอาในเล่มหกสิบเจ็ด อชิตะมานวะกะปัญหานิเทศปัญหาที่หนึ่งมานบคนที่หนึ่งก็ฟังจบเข้าบรลุเลยนะเราฟังจบก็ยัง ง, งงงอยู่มึงนี่คุยอะไรกันเนี่ยฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจต็ตกไปดูเอานะ่ยยอมดูแล้วเข้าใจแล้วมาเล่าให้ฟังว่ า, วาเขาเรื่องเขาไปยังไงทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นไปได้อะไรมารักษาไว้ชีวิตเป็นเครื่อง รักษาชีวิตกับอายุต่างกันหรือไม่ไม่ตาอ้เช่นตาเนี่สืบเนื่องมาเท่าไหร่เขาวัดกันที่อายุมั้งเนะีดเพราะอายุเป็นตัวรักษาอนุปาละกะชนะกะไอออนุปาละกะสติมีอำนาจในการอนุบาลรักษารักษาตาอันนะรักชีวิตรักษาตาชีวิตรักษาหูชีวิตรักษาจมูกชีวิตรักษา เลนชีวิตรักษากายชีวิตรักษาใจชีวิตชีวิตทินรียนะ์เนรักษาตาหูจมูกลิ้นกายทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะที่มีอิทธินรีกับปุริสินรียก็ต่างกันเพราะฉะนั้นตาตาของหญิงกับตาของชายจึงต่างกันเพราะพระอินรียคืออิทธินซีกับปุริสินรียไม่เหมือนกันนั้นหูของ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 หมอหมอเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรียกหมออะไรอะไรเวทนะนิติเวทอ่าพวกนิติเวทนี่เห็นกะโหลกปั๊บบูออกเลยนี่กระโหลกหญิงกระโหลกชายเนี่ยนะพวกหมออ่าพวกหมอผ่าศพที่สูดศพอะไรทั้งหลายแลยเนี่ยนะเขาเห็นกะโหลกปั๊บเรูเลยว่าโครงสร้างทางเนี่ยมันต่างกันเ้าก็มองออกเพราะอะไรเพราะความที่อิทธินศีและปุริสินี่นะคือถ้าแบ่งอินทรีย์เป็น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 คือตาหูจมูกลิ้นกายใจชีวิตอิทินีปุริสินีอันนี้เป็นกลุ่มเหตุนะเหตุผลของการมีอินทรีย์เหล่านี้คืออะไรคือสุขทุกโสมนัสโทมนัสและอุเบขาเพราะฉะนั้นสุขของชายก็ต่างกันสุขของหญิงก็ต่างกันทุกของชายก็อย่างหนึ่งทุกของหญิงก็อย่างหนึ่งนะก็ผลออกมาของของอินทรีย์ที่แปดอินทรีย์ทั้งแปด ต้นนั้นเป็นกลุ่มเหตุสุขทุกโสมนะัตโทมณตเป็นผลสุขทุกตัวนี้ใช้กับใช้กับกายินทรีย์กายินทรีย์เป็นเครื่องวัดทำให้รู้สุขรู้ทุกนะเพราะสุขกระทุก์ใช้กับเกี่ยวกับเรื่องกายอันนี้นี่พูดโดยนัยอินทรีย์นะอย่าไปโยงกับเรื่องอื่นเกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์นั้นสุขทุกใช้กับกายใช้กับทวารกายทวารเดียว ส่วนโสมนัตโทมนัตใช้กับทวารใจส่วนอุเบกขาใช้ทั้ง5้าทวารน้าทนะวารก็จริงมไม่ได้ยากอะไรถ้าใครเรียนเจตสิกมาบ้างของง่าย น, นิดเดียว น, น, นะกลับไปเรียนไปเฉียดสองบ้างก็จะไม่ยากหรอกทีนี้ผลของการมีอินทรีย์ห้านี่แหละขอไปผลของการมีอินทรีย์แปดตัวอินทรีย์แปด อินทรีแปดเป็นเหตุผลของการมีอินทรีแปดคือเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เฉยมันถามว่าดีใจสุขทุกข์ดีใจเสียใจเฉยเฉยมาจากอะไรมาจากมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะชีวิตรักษาเพราะความเป็นหญิงความเป็นชายผลออกมาทําให้เกิดสุขทุกข์ดีใจเสียใจและเฉยเฉยบอกว่าเห็นโทษและเกิดในอินทรีย์ทั้ง สิบสามตัวเหล่านี้เนี่ยมันเลวร้ายมากไม่ดีเลยน่าเบื่อเต็มทีทําไมก็ต้องปฏิบัติมีข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดอินทรีย์เหล่านี้นะข้อปฏิบัติเพื่อทำลายอินทซีสิบสามอินทรีย์มีอยู่ห้าเทอินรีย์ที่เป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติเพื่อกําจัดอินทรีย์ทั้งหมดที่กล่าวไปคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเป็นอินรีย์ที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อกําจัด อินทรีย์ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วถ้าปฏิบัติถูกต้องผลจะต้องได้อินทรีย์ที่เป็นโลกุตระสามตัวคืออนัญญาตัญยัตสามีตินทรีย์อัญยินทรีย์และอัญญาตาวินทรีย์อินทรีย์สามข้อสุดท้ายเป็นชื่อของปัญญาอย่างเดียวแต่เป็นปัญญาที่เกิดร่วมกับโลกุตระเีนะ่โลกุตระอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์เป็นชื่อของปัญญาที่เกิดร่วมกับโซดาปฏิมัก อัญญีสีเป็นชื่อของปัญญาที่เกิดร่วมกับโสดาปฏิผลสกาธาคามิมักสกาธาคามิผลอนาคามิมักและอนาคามิผลและอรหัตตมักส่วนอัญญาตาวินสีก็คืออรหัตผลอย่างเดียวนะอรหัตผลปัญญาอย่างเดียวอินรียห้าขออภัยอินรีย์ทั้งหมดมียี่สิสองใช่ไหยอินสีที่เป็นโลกุตระมีอยู่สามอินทสีย์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 ปริญญาไม่ใช่บอกอู้โสดาปฏิมักก็ไม่เที่ยงเห็นไหมโสดาปฏิมักของพระนรก็ยังไม่เที่ยงเลยอย่างเงี้ยเขามีไหมเข้าเจริญอย่างเงี้มีไหมไม่มีเนาะก็ดีแล้วที่เข้าใจอย่างเงี้ยแม่งก็ออ้ยโซดาปฏิมักโซดาปฏิผลเป็นต้นของพระอริยไม่เห็นเที่ยงเลยดับไปหมดแล้วเนี่ยนะเขาไม่พูดกันอย่างงี้หรอกส่วนอินทรีย์ที่เหลือเขาก็ให้ที่เจรณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอยู่เหมือนกัน การจำแนกหัวข้อธรรมะตั้งแต่หมวดที่หนึ่งคือธรรมะสามสิบในทวารหกหมวดสองคือขันท่าหมวดสามคือปิยรูปสาตารูปหกสิบหมวดสามคือปิยรูปสาตรูปหมวดสี่คือท่าทบหมวดห้ากสินหมวดหกอาการสามสิบสองหมวดเจ็ดอายตนะสิบสองหมวดแปดคือท่าสิบแปดหมวดเก้าคืออินทร